เกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายหน้าขาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อหน้าหารูคือเอ็นทั้งหลายอาทีคือกระดูกทั้งหลายอาธิมินชังเยื่อในกระดูกว่ากางังตาย ทาได้ยังหัวใจยากะนังตับกิโลมากังพังผืดปิหา ก, กังม้ามป่าผาสังปอนอันตังไสใหญ่อันตาคุณังไสน้อยอุดริยังอาหารใหม่กระลิสังอาหารเก่ามากเกเมมัทะลุงดังเยื่อในสมองศีสับปีตาน้ำดี เสพหังน้ำเสเดอุบบอน้ําเหลืองลอยต่างน้ําเลื่อนเสโดน้ําเหงือเมโดน้ํามันค้นอสุน้ําตาหัวสาน้ํามันเหลวเขโลน้ําลายสิงคานิกาน้ํามูกราศิกาน้ําไขข้อมูดต่างน้ํามูดเอวะมายังเมกาโย กายของเรามีอย่างนี้อุทังบาดตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัโทเกสามะทกาเมืองดำแต่ปลายผมลงไปขันจัปปริยันโทมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานะปาการสะสุจินโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้